เขากาสครับจ ะ, จะเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านมากันเยอะนะนวัดนี้ต้องเป็นวัดกรรมฐานเหมือนกันงั้นเวลาหลวงพ่อไปเทศที่ต่างๆถ้าไปเทศให้คนปฏิบัติฟังนะสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าไปเทศคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะ ลำบากใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันหลวงพ่อก็เทศไม่ออกนะคนไม่ภาวนาไม่รู้จสอนอะไรเขาคนที่ไม่ได้ภาวนาฟังหลวงพ่อก็าปลุ่มใจฟังไม่รู้เรื่องหรอกหัวข้อที่จะมาพูดวันนี้เรื่องการพัฒนาจิตใจกนะ็เป็นหัวข้อที่สําคัญมากในทางพระพุทธศาสนาเรานะถือว่าจิตคือจิตใจของเราเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้าจะดีจะเร็วไปจากจิตของเรานี้เองไม่มีใครมาบงการเราได้นอกจากจิตและจิตนี้เป็เป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันดีมันก็ไม่ค่อยจะดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วสั่งให้มันสุขมันก็ไม่ค่อยยอมสุขนะห้ามทุกมันก็ชอบทุกบังคับมันไม่ได้ แต่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าถ้าจิตฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ฉนั้นคนทั่วๆไปเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะหาความสุขได้ที่ไหนเขาก็เที่ยวสแสวงหาความสุขทางโลกๆคิดว่าเรียนหนังสือมากๆจะมีความสุขทำงานเงินเดือนมากๆจะมีความสุข มีลูกมีเมียนะจะมีความสุขมีชื่อเสียงเกียรติยศจะมีความสุขเที่ยวหาความสุขเป็นวุ่นวายตลอดเวลาแต่ความสุขมันเป็นภาพลวงตาเหมือนเหมือนจะเข้าถึงเหมือนเหมือนจะจับต้องได้แป๊บเดียวมันก็หายไปละพระพุทธเจ้าสอนเราให้เข้าหาความสุขที่พิเศษที่สุด คือความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี่เองนะมนฝึกจิตฝึกใจของเราถ้าจิตเราฝึกดีแล้วเราจะมีความสุขมหาศาลเลยความสุขจากธรรมะภาคความสุขจากการฝึกจิตฝึกใจเนี่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่ยิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขในโลกนี่ยต้องยิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขไปอยู่กับคนอื่นเนี่ไม่มีความสุข ต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขคิดว่ามีเงินล้านหนึ่งจะมีความสุขอีกพอมีล้านหนึ่งก็มันก็ไม่มีความสุขอีกแล้วต้องมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านยังไม่มีความสุขเลยในความสุขที่มันยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นนั้นมันเป็นความสุขที่ทําให้เรากลายเป็นทาตโดยไม่รู้ตัวถ้าเราต้องยิงอาศัยคนอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุข เราก็จะกลายเป็นทาตของคนคนนั้นเราต้องคอยเอาวกเอาใจเขาเขาแปรปรวนเมื่อไร่เขาเปลี่ยนใจเมื่อไหรนะเขาทิ้งเราไปเราไม่มีความสุขละหรือเรามีรถยนต์ความสุขของเราอยู่ที่เรามีรถยนต์สวยงามเราก็เป็นทาตของมันนะต้องคอยดูแลมันต้องคอยรักษานอนก็ไม่ค่อยหลับกลัวมันหายเราเป็นทาตของรถยนต์ไปพอรถยนต์พังไปนะเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้ว ความสุขที่มันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่งอนแง่นกร่อนแกลนเป็นความสุขที่ทําให้เราหมดความเป็นตัวของตัวเองแล้วตกไปสู่ความเป็นทาตุไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะเรามาฝึกจิตฝึกใจเรายิ่งฝึกมากเท่าไหร่ใจเรายิ่งมีอิสระใจเราโปร่งโล่งเบาเป็นความสุขเป็นความเต็มอิ่มอยู่ในตัวของเราเองพวกเรา ท, ทุกคนในที่นี้เป็นคนที่มีบุญมีวาสนา เราเกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราก็จะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าสู่ธรรมะได้ถ้าใจเราเข้าใกล้ธรรมะมากเท่าไหร่ใจยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นถ้าภาวนาจะถึงขีดสุดใจเรากับธรรมะจะเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมะจะกลืนเข้าด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ใจจะมีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่ถนาดที่ว่าถ้าเทียบไปกับทางโลกนะเป็นความสุขที่ถึงตายได้อย่างในตำรานะชอบสอนกันบอกว่าถ้าบารรลุพระอรหันต์นะไม่ได้บวชในวันนั้นนะจะตายเนียสมัยก่อนก็มีคนเคยถามตั้งปัญหากันพย า, ยามิลินใครเคยได้ยชื่อไหม พยานมิรินไปถามพาาระนาคเสนว่าจริงเหรอที่ว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายพาาระนาคเสนบอกว่าจริงพยานมิลินแกได้โอกาสเลยแกจะหาเรื่องเถียงเล่นเนี่ยได้โอกาสแล้แกก็โจมตีเลยเบอกว่าถ้าอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีหรอกปฏิบัติจนบรรลุอรหัตตะรักอรหัตตผลอรหัตตะมรกเนี่ยอรหัตตผลเนี่ยฆ่าคนตายทําให้คนตายไม่ดี พระนาคเสสน์ท่านบอกว่าไม่ใช่มันดีเกินไปเกินกว่าที่สภาวะของคนทั่วๆวไปจะรองรับได้มีความสุขมากนะมีความสุขจนทนไม่ไหวมีความสุขที่มหาศาลมากเลยแล้วอยู่กับโลกข้างนอกนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่กับโลกอยู่กับโลกข้างนอกมันโลกกระทบกระทั่งอะไรเนี้ยนะไม่ไม่ไม่ไม่ดีทําให้คนอื่นกขาบาปเขากรรมนะส่วนมากท่านเลยถ้าไม่ได้บวชท่านก็เลยนิพพานกัน ในความเป็นจริงแล้วมีความสุขมากไม่ใช่มีความทุกข์มากเรารู้แต่ว่ามีความสุกขจนตายแม้สุขมากถึงขนาดนะสุขถึงขนาดว่ามันจะรู้สึกว่าสุขขนาดนี้ก็มีด้วยหรือในโลกเนี่พวกเราต้องมาศึกษานะต้องมาศึกษามาปฏิบัติมาฝึกจิตฝึกใจพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราจะได้สัมผัสความสุขเป็นลาดับลาดับไป เครื่องมือในการที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหน้าที่ของเราคือเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนนะั่นคือศึกษาถ้าคนที่พ้นการศึกษาแล้วก็คือพระอรหันตา น, นั้นเรียกว่าพระอเสขา้าบุคคลไม่ต้องศึกษาส่วนนอกนั้นนะกระทั่งตั้งแต่ปุถุชนไปจนถึงพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคามีเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่หน้าที่เราต้องเรียน บทเรียนที่พวกเราจะเรียนเพื่อพัฒนาจิตใจของเราเองนะมีแค่สามบทเท่านั้นแหละถ้าเรียนให้ดีมีอยู่สามบทเท่านั้นนะก่อนที่หลวงพ่อจะมาที่นี่หลวงพ่อก็ลองไปดูอินเทอร์เนต็ตนะดูว่าวัดนี้เขาสอนอะไรสอนขัดกันไหมถ้าสอนขัดกันเราก็ต้องกลัวเหมือนกันนะออมาถิ่นเขารลายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าที่นี่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนเรื่องไกลศิกขา จริงใจสิกษาไม่ใช่เรื่องศีลสมาธิปัญญานะใจสิกษาเรื่องศีลสิะศึกษาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาศิกขาเรียนเรียนว่าทํายังไงจะเกิดศีลขึ้นมาเรียนว่ายังไงจะพัฒนาจิตให้มันมีความตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเรียนว่าทํายังไงจิตของเราจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกได้สัมมาทิฏฐิอันนั้นเรียกว่าปัญญาศิกขา งานของเรามีแค่นี้เองเราจะเรียนว่าทํายังไงศีลของเราจะดีไม่ด่างคร้อยทําไงจิตของเราจะตั้งมั่นมีสมา ธ, ธิที่ถูกต้องทํายังไงจิตของเราจะได้เห็นความจริงของรูปนาำกายใจของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าเมื่อไหร่จิตมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจอย่างถ่องแท้นะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะสลัดขืนกายขืนใจให้โลภ เข้าถึงความเป็นพระอรหันตรร์ความพ้นทุกข์เกิดขึ้นตรงที่ว่ามีปัญญาแจ่มแจ้งในรูปในนามในปองของธาตุของขันธ์ทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ก่อนจะมีปัญญาได้ต้องเรียนเรื่องศีลซะก่อนจะต้องเรียนเรื่องการฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีพลังที่จะไปเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจซะก่อนศีลนั้นในเบื้องต้นเนี่ยพวกเรา มาตามวัดเรากอารัธนาศีลแท้จริงอารัตนาศีล น, นะไม่จําเป็นต้องมารัตนากับพระหรอกศีลที่แท้จริงมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจที่จะงดเม้นการทําบาปอกุศลทางกายทางวาจาถ้าเราปล่อยให้กายวาจาของเราไม่เรียบร้อยเจกร้ารานก็อื่นจิตใจเราจะฟุ้งซ่านง่ายถ้าเรามีศีลนะจิตใจมันสงบง่ายอย่างคนคิดจะฆ่าเขาคิดจะทําร้ายเขานี จิตไม่สงบคนที่คิดถึงคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาอะไรเนี่ยจิตใจมีความสุขมีความสงบคนที่คิดลักขโมยเขาไม่สงบไม่มีความสุขคนที่คิดจะบริจาคคิดจะให้ทานนะคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นคิดขึ้นมาทีไรก็อิ่มอกอิ่มใจนะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นคนจะเป็นชู้กับเขาไม่มีความสุขไม่มีความสงบคนที่สันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองมีความสุขมีความสงบ คนจะโกหกหลอกลวงกลิ้นปล่อนนะไม่มีความสุขหรอกต้องคิดมากคิดแล้วต้องจําไว้ด้วยนะโกหกพูดกับใครไว้ยังไงเดี๋ยวพูดทีหลังไม่เหมือนกันเขาจับได้โดยคนพูดความจริงมีสัจจะจิตใจสงบง่ายไม่มีอะไรต้องคิดซับซ้อนเลยความจริงก็คือความจริงนะั่นแหละพูดกี่ทีมันก็ตรงกันงย้ันการที่เรามีศีล น, นะมันจะช่วยให้จิตใจของเราสงบง่ายถ้าเรารู้คุณค่าของศีลแล้วการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของศีลเราก็ถือศีลตามๆกันไปนะมันก็ขาดกับร่องกับแรก ง, ง่ายการถือศีลไม่ต้องไปขอที่ใครนะเราตั้งใจงดเว้นการทำบาปอาภูษณทางกายทางวาจาห้าอย่างเหล่าแบบนี้แหละมันก็มีศีลขึ้นมาแต่การที่เราต้องไปขอกับพระก็คล้ายๆการหาพยานต่ให้พระเป็นพยานว่าเราจะถือศีล เวลาเราทำผิดศีลเราจะได้ละอายพระบ้างแต่ถ้าหน้าด้านจริงๆก็ไม่อายน ะ, ะก็ไม่อายพระไม่มีประโยชน์เท่าไราหร่เลยือขอโดยที่ไม่ได้คิดจะรักษางนั้นจุดสําคัญอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีลให้ได้เราจะตั้งใจจริงขึ้นมาได้นะถ้าเรารู้ว่าศีลมันเป็นของมีคุณค่าไม่ใช่ของลําบากถือศีลไม่ใช่ลําบากศีลถือแล้วสบายถือแล้วมีความสุขถ้าเห็นได้อย่างนี้นะการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยาก การรักษาศีลนั้นถ้ารักษาที่กายที่วาจาก็ายังยากอยู่เหมือนกันถ้าเราพัฒนาการตือศีลของเราเบื้องต้นเราก็ข่มใจนะไม่ให้ทําตามกิเลสมีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสรุนแรงเกิดขึ้นเรายังสู้กิเลสไม่ไหวเราก็ข่มใจไม่ยอมให้ทําตามกิเลสการที่เราคอยข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสนี่แหละเรียกว่าเรารักษาศีลไม่เหมือนเรื่องสมาธินะ สมาธิเนี่ยไม่ใช่ข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสแต่สมาธิเนี่ยเป็นกําลังที่ข่มกิเลสไม่ให้มีอานาจเหนือใจจะตับข้างกันนะศีลเนี่ยต้องข่มใจไว้ก่อนสัสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้เข้ามาครอบงำใจคนละแบบกันนะส่วนปัญญาเนะีเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามของกายของใจเข้าใจกระทั่งตัวกิเลสเข้าใจกระทั่งจิตใจซึ่งตกเป็นาธาตของกิเลสเข้าใจเป็นลําดับไป เบื้องต้นการรักษาศีล น, นะให้ตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนนะต่อไปเราจะพัฒนาการรักษาศีลให้ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกการรักษาศีลด้วยกายวาจานั้นยังลำบากเผลอเมื่ อ, อไหรนะ่ก็ผิดศีลได้ถ้ารักษาศีลดยมีสติรักษาจิตนการรักษาศีลที่ประณีตขึ้นไปนะเราจะใช้สตินี่แหละรักษาจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิต เราคอยรู้ทันเช่นความโกรธเกิดที่จ like right. yeah. ha! ิตเรารู้ทันความโลบเกิดที่จิตเรารู้ทันความฟุ้งซ่านความโหดหูอะไรๆกิเลสอะไรเกิดที่จิตเราคอยรู้ทันทันทีที่สติรู้ทันกิเลสซึ่งมันเกิดที่จิตกิเลสจะดับอัตโนมัติหรืออย่างน้อยถ้ามันไม่ดับนะกำลังของสมาธิเราไม่ดีพอสติเรายังไม่เข้มแข็งพอกิเลสไม่ดับอย่างน้อยกิเลสพรอบงาจิตไม่ได้ ยกตัวอย่างความโกรธเกิดขึ้นคนทําผิดศีลได้ไหมเวลาความโกรธเกิดความโกรธเกิดนะยังไม่ทําผิดศีลหรอกความโกรธต้องครอบงําจิตก่อนพอโกรธเขานะก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งเป็นชูก้กับลูกเมียเขาไปด่าว่าเขาแม้ทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยมีความกลุ่มใจมีโทสะขึ้นมาไปกินเหล้าก็ได้ใช่ไหมทำผิดศีลได้ทุกข้อเลย มีโลภะเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นก็ทําผิดศีลได้ทุกข้ออีกนะอย่างมีความโลบเกิดขึ้นก็ไปประทุษสลายเขาไปชิงนะทรัพย์เขาทําร้ายเขาหรือว่าไปผิดลูกผิดเมียเขาไปประจบสอพลอเขาหลอกลวงเขาล่อลวงเขาเอาสมบัติเขาเนี่ยความโลภมันเกิดหรือความโลบเกิดนะจิตใจเปิดวีกดา้ามีความสุขมีความสุขมากๆคนไทยก็ชอบไปกินเหล้าอีกนะ ผิดศีลได้ทุกข้อเลยมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทําผิดศีลห้าได้มีความรอบเกิดขึ้นก็ทําผิดศีลห้าได้นี่ทํำยังไงดีเพราะว่ากิเลสเป็นของ oh yeah, เยอะแยะไปหมดวันๆหนึ่งกิเลสเกิดมากมายเหลือเกินให้เราคอยรู้ทันมันมีกฎรรของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งนะกฎรรของธรรมะนี่ธรรมนิยามคือเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสติถ้าเรารู้หลักตรงนี้แล้วเนี่ย การที่จะจัดการกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่พองยากอีกต่อไปแค่โกรธขึ้นมาให้คอยรู้ทันว่าตอนนี้โกรธขึ้นมาแล้วมันโลบขึ้นมาให้คอยรู้ทันว่าตอนนี้มันโลภขึ้นมาแล้วมันฟุ้งซ่านรู้ทันว่ากําลังฟุ้งซ่านอยู่มันหดหู่รู้ทันว่ามันกําลังหดหู่อยู่นะคอยรู้ทันใจของเรานี่แหละกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันพวกเรารู้จักโกรธไหมใครใครเคยโกรธยกมือให้ดูหน่อยซิ หลวงพ่อก็ยกด้วยคนหนึ่งล่ะล้วก็เคยนะใครเคยโลกยกมือสินี่ยออมีบางคนไม่ยกนั่งเคลื่อนไปทุกทุกคนรู้จักใช่ไหมโกรธเป็นยังไงก็รู้โลกเป็นยังไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงใครเคยรู้จักไหมรู้ใช่ไหมอ่าซึมหดหูหดหู่เป็นไหมเบื่อเป็นไหมเสงเป็นไหมขี้เกียจเป็นไหมอ่า สารพัดเลยนะอิจฉาล่ะอิจฉาเป็นไหมเออเป็นนีกลัวตัวก็เป็นใช่ไหมเห็นไหมมันยากอะไรอเรารู้จักอยู่แล้วกิเลส ท, ทุกตัวเรารู้จักอยู่แล้วปัญหาใหญ่อยู่แค่เราละเลยไม่ยอมดูเท่านั้นแหละต่อไปนี้นะคอยฝึกตัวเองกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันไปคนทั่วๆไปนะอย่างมีคนมาทําให้เราโกรธเพราะอเราโกรธใครเราจะไปดูเขานึกออกไหม คนที่ทำให้เราโกรธเราก็ไปคอยดูเขาเรื่อยหรือเรารักใครเราก็คอยดูเขาเรื่อยๆอนึกออกไหมเวลาโกรธเราไม่รู้ว่าใจกำลังโกรธเวลารักเราไม่รู้ว่าใจกำลังรักอยู่เรามัวจะไปดูคนที่ทำให้โกรธคนที่ทำให้รักเนี่ยมันมันกลับข้างกันนิดเดียวแทนที่เราจะปล่อยใจเตลิดออกข้างนอกไปนะเราคอยรู้ทันใจใจมันโกรธขึ้มารู้ทันใจมันรักขึ้มารู้ทันนะใจมันอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวณ ใจมันเบื่อใจมันเซ็งใจมันนายนะใจขี้เกียจขี้คลานสารพัดจะดูความรู้สึกทุกชนิดนะที่เป็นกิเลสเนี่ยถ้าเกิดขึ้นที่ใจของเราให้เราคอยรู้ไว้ทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เพราะมัวแต่ไปสนใจคนอื่นไม่สนใจจิตใจของตัวเองต่อไปนี้กลับข้างนะใครเขาทำให้เราโกรธเราอย่าไปดูเขาให้เราดูใจที่กาลังโกรธ เห็นคนไหนเขาสวยใจเรารักขึ้นมาอย่าไปดูเค้านะให้ดูใจของเราว่ากําลังรักเขาอยู่เดินไปตามศูนย์การค้านะเห็นโทรศัพท์มือถือแบบใหม่ทํางานได้เยอะแยะเลยนะสารพัดทั้งๆที่เราใช้ไม่เป็นออกเราได้แค่โทรเข้าโทรออกเห็นว่าอะไรใหม่ๆอยากได้อยากได้เวลาเราอยากได้ของอะไรสักอย่างเราจะไปดูของนั้นใช่ไหมต่อไปนี้กลับข้างอยากได้อันนี้นะย้อนกลับมาดูที่ใจของเราเห็นด้วยใจกําลังโลภอยู่ ถ้าเราดูได้อย่างนี้บ่อยๆนะกลับข้างอย่างนี้แหละคอยรู้ ท, enfin ทันกิเลสที่เกิดที่ใจบ่อยๆนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นศีลจะเกิดขึ้นโดยโอัตโนมัติต่อไปนี้การรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วขอให้รักษาสติอย่างเดียวมีสติรักษาจิตได้อย่างเดียวเท่านั้นเองศีลอัตโนมัติจะเกิดจะเป็นศีลกี่ข้อก็ตามนะรักษาง่ายทุกข้อเลยเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมีความสุข เวลาจิตใจมีความสุขมีความสงบนะแช่มชื่นเบกบวันทำสมาธิง่ายฝึกให้จิตใจมันไม่ดื้อไม่สนออกไปข้างนอกสมาธิก็คือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมเราหัดมีสติรู้ทันจิตเนี่ยโกรธขึ้นมาไม่ดูคนที่ทําให้โกรธกลับมาดูที่จิตที่กําลังโกรธเนี่ยจิตมันจะย้อนเข้าหาตัวเองสมาธิมันก็เกิดสิทธสมาธิมันไม่มีเพราะจิตมันลืมตัวเองมันวิ่งออกข้างนอกไปวิ่งไปหาคนอื่นวิ่งไปหาสิ่งอื่นฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ถ้าเรามีสติรู้ทันนะจิตก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิก็เกิดขึ้นพูดถึงสมาธิหลวงพ่อต้องขยายความนิดหนึ่งนะพวกเราจํานวนมากเลยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะคิดถึงการนั่งสมาธิเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะใครอ่านพุทธประวัติเคยอ่านไหม เป็นชาววัดไม่เคยอ่านนี้หลอยโถ่ยที่สุดเลยนะต้องเคยนะไม่เคยไม่ได้เรื่องเลยเสียชื่อนะในพุทธประวัตนะิเราไปดูสิเจ้าชายสิทธ า, าออกจากวังมานะงานแรกเลยที่ทําไปหาฤาษีนึกออกไหมไปหาอารา ธ, าธดาบทอุทกดาบทไปหาเพื่ออะไรเพื่อจะไปเรียนวิชานั่งสมาธิคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านคิดก็คือต้องนั่งสมาธิมันก็เหมือนที่พวกเราคิดนั่นแหละ แล้วท่านพบว่าท่านไปนั่งสมาธิกับฤาษีท่านพบว่าไม่ใช่ทางหรอกตอนที่นั่งสมาธิสงบอยู่นะกิเลสก็ไม่เกิดออกจากสมาธิกิเลสเกิดพวกเราเคยเห็นพวกเข้าวัดแล้วก็ร้ายอย่างร้ายกว่าเก่าไหมไม่ใช่ใครหรอกพวกเราเองแหละเวลายอยู่ในวัดนะทำเป็นเรียบร้อยใช่ไหมจะเดินจะเหินเนี่ยนุ่มนวลดูดีหลวพ่อ เ, เคยเจอนะมีคุณป้าคนหนึ่งอยู่วัดเดินผ่านหมานะหมามันนอนอยู่ คุณป้าโอ้โหเดินโค้งเลยนะเราบอกว่าคุณป้าทําไมต้องนอบน้อมกับหมาขนาดนั้นอ่ะเผื่อก็เป็นพระโพธิสัตว์โอ้แต่ว่าคนใช้แกนมาลินทานะกลับป้านี้ร้ายที่สุดเลยะร้ายสุดขีดเลยทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอาแต่นั่งสมาธินะมันเก็บปวดอ่ะนั่งสมาธิก็สงบสงบไปนะพอออกมากระทบอะไรนิดเดียวนะมันเหมือนคนที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อมานานนะ ออกมากระทบเชื่อโลกนิดเดียวตายเลยจิตนี้ก็เหมือนกันนะติดอยู่ในความนิ่งนิ่งว่างว่างนะออกมากระทบอารมณ์หน่อยทนอยู่ไม่ได้นะคลุ้มคลั่งไปเลยงั้นถ้านั่งสมาธิผิดเนี่ยจะโมโหร้ายจำไว้นะงั้นเราสํารวจตัวเองนะถ้าเราปฏิบัติทำแล้วโมโหร้ายมากเลยนะร้ายจนขึ้นชื่อือชาแล้วก็คงจะทําอะไรผิดแล้วละ่ะต้อไปสํารวจดูนะสมาธิได้จริงๆแล้วมี2 อ, อย่างสมาธิมันมี2 อ, อย่าง ถ้าพวกเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตตสิกขาเราจะไม่รู้จักสมาธิที่แท้จริงสมาธิมี2ชนิดชนิดที่1เนี่ยเป็นการน้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นเราหัดพุดโทโธพุโทโธนะให้จิตอยู่ที่พุโทโธไม่หนีไปที่อื่นเลยจะได้ความสงบเอาไว้ทําสมถะกรรมาฐานนะหรือเรารู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าเราน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจประจิตไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจนะจิตก็ค่อยสงบ จิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่ที่ลมลมก็ค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นนะจะมาอยู่ที่ปลายจมูกจากลมมาอยู่ปลายจมูกแล้วมันจะกลายเป็นแสงสว่างลมจะกลายเป็นแสงนะตรงที่แสงนี่เาเรียกว่าอุขานิมิตตรงที่เป็นลมหายใจจริงๆเรียกว่าบริกรรมนิมิตงั้นถ้าเราเล่นอาณาปนานสติเป็ น, นจิตจะสงบเข้าสงบเข้าลมจะกลายเป็นแสงจากแสงนี่ถ้าน้อมจิตไปอยู่กับแสงมีวิตก ตึกอยู่ในแสงมีวิจารณคือจิตเคล้าอยู่ในแสงนะในส่วนจะเล่นได้นะจะให้แสงแผ่แสงให้กว้างก็ได้ให้เล็กลงมาเท่าปลายเข็มก็ได้นะจิตมีวิตกมีวิจารณ์คือมันตรึกมันตรองอยู่ในแสงจิตมันมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะจิตมันไปอยู่ที่แสงอันนี้แหละเป็นสมาธิชนิดที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวหรือบางคนดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไม่ไปที่อื่นเลยจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียว อันนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่เพ่งอารมณ์นะใช้ทําสมถะเดินจงกรมเท้าเคลื่อนไหวนะจิตเราไปอยู่ที่เท้านะจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตอยู่ที่เท้าอย่างเดียวนะจิตนิ่งอยู่ในร ม, มันเดียวนี้เรียกว่าอารัมมานปนิชฌานนะใช้ทําสมถกรรมฐานทํำวิปัสสนาไม่ได้จะทํำวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่มีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตที่ตั้งมั่นเราเคยไปเปิดโพจ้านุกรมไหม คำว่าสมาธิมันไม่ได้แปลว่าสงบนะพวกเราชอบคิดเอาเองว่าสมาธิแปลว่าสงบสมาธิในความเป็นจริงแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูในใคล้ายๆเรายืนอยู่ริมถน น, นเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาถ้าจิตตั้งมั่นก็คือเราอยู่นอกถนนเราเห็นรถผ่านไปผ่านมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็เหมือนเรากระจนไปยืนอยู่กลางถนนนะรถเฉียวซ้ายเฉี่ยวขวาเราจิตใจเราก็วุ่นวายไปด้วยหรือเรายืนอยู่ริมแม่น้ํา เห็นอะไรต่ออะไรไหลตามน้ำมาถ้าจิตเราตั mm ้ง hmm. ม mm ั hmm. ่นก็เหมือนเราอยู่บนบกเห็นของในน้ำไหลผ่านมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตกระโจนลงไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็โดดลงไปอยู่ในน้ำจิตก็จมไปอยู่กับน้ำนะก็ไหลไปด้วยกันก็ไหลสมมติว่ามีท่อนไม้ลอยมาท่อนหนึ่งเราโดดลงไปอยู่ในน้ำเราก็ลอยไปด้วยกันนะก็นิ่งอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเองเห็นก็อยู่กันไม่เห็นเกิดดับหรอก ้นถ้าเราจะเห็นเกิดดับได้จเจริญปัญญาได้จิตเราต้องถอยออกมาถอยออกมาเป็นคนดูให้ได้วิธีที่จะฝึกจิตให้เป็นคนดูนั้นทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งทำฌานนะจับต่อจากให้การหายใจตะกี้นี้ก็ได้อย่างเราหายใจจนจิตมันอยู่แับแสงสว่างแล้วนะค่อยๆรู้ไปมีสติรู้ทันว่าขณะนี้จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสง ทันทีที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปนะพิตกวิจารณ์คือการที่จิตไปจับอยู่ที่แสงไปเคล้าเคลียอยู่ที่แสงจะดับลงทันทีเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเหลือแต่ปีติเหลือสุขเหลือความเป็นหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณทันทีที่ละวิตกวิจารณ์คือการตรึกการตรองในดวงปฏิภาคนิมิตนั้นได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมางั้นถ้าไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะพูดถึงสภาวะอันหนึ่งได้ว่าเอโกที่ภาวะ เอโกทิภาวะก็คือสภาวะที่จิตตั้งมั่นนะไม่ได้แปลว่าสมาธิเฉยๆนะสมาธิไม่ได้เข้าฌานถึงขนาดนี้ก็มีสมาธิมีได้แต่สมาธิข้างนอกเนี่ยเรียกว่าคณิกะสมาธนะิอุปจาระสมาธิถึงอัปปนาสมาธิฌานที่หนึ่งก็มีอัปปนาสมาธิแล้วแต่ว่าไม่มีตัวรู้ต่อเมื่อเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหรือเคลื่อนไปอยู่ที่แสง ทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนเนี่นะการเคลื่อนจะขาดโดยอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นถ้าเจตนาให้ตั้งมั่นจิตจะแน่นแน่นแข็งแข็ ง, ขงอันนี้ของปลอมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นจริงนะจะมีความเบาคือละหูตาจะมีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตาคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ซึมไม่ทื่อเรียกว่าปาคุณา ควรแก่การงานกรรมัญจาตาไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆแต่ต้องทํางานงานคืออะไรควรแก่การงานงานของวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละนะงั้นเราต้องมาฝึกนะถ้าวิธีนี้ยากไปยังมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราทําชาญไม่ได้ก็ยังมีทางเลือกที่สองถัดจากนี้ไม่มีแล้วนะถ้าทําชาญไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีที่สอง วิธีที่สองเนี่ยเราใช้หลักที่ว่าถ้าเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไหรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติรู้ทันถ้าจิตมันฟุ้งซ่านเวลาไม่มีสมาธิจิตมันจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางใจอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกไหมบางทีมองหลวงพ่อนะก็วิ่งมาที่หลวงพ่อบางทีก็หนีไปคิดใช่ไมบางทีก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดสลับไปเรื่อยๆ เนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตจะสงบอัตโนมัติพรจิตฟุ้งซ่านเป็นกิเลสฟุ้งซ่านเป็นตัวกิเลสถ้าเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านนะจะเกิดสมาธิอัตโนมัติเลยหลวงปูด่ดนลย์ถึงสอนนะว่าให้รู้จักจิตที่สง่งออกนอกจิตที่สง่งออกนอกคือจิตที่เคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปดูเคลื่อ น, นไปทางหูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเคลื่อนทางใจหรือเคลื่อนไปคิด พวกเราสังเกตไหมที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมแท้จริงเราฟังไปคิดไปมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะต่อไปนี้เรารู้ทันจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปดูรู้ว่าจิตไปดูถ้ารู้ทันจิตที่ไปฟังไปดูไปคิดนะจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลย เพราะถ้ารู้ทันจิต ท, ที่ส่งออกนอกรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นเองโดยไม่ต้องเจตนาให้ตั้งนะลองฝึกดูนะนี้ถ้าบางคนรู้สึกสามช่องนี้ยังเยอะไปทั้งที่มี6ช่องนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไหลได้ทั้งหกช่องมันเยอะไปหลวงพ่อย่อลงมานะตาเราใช้บ่อยใช่ไหมหูเราใช้บ่อยใจเราคิดบ่อยเอาสามอันถ้าสอันยังเยอะไปเอาอันเดียวเอาใจที่หนีไปคิด ต่อไปนี้เราฝึกกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะนั่งสมาธิหรือทําอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธ น, นะจิตนี้ไปคิดรู้ทันหรือนั่งรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปนะเวลารู้ลมหายใจจิตจะไหลได้สองแบบอันนึงไหลไปคิดอีกอันหนึ่งไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไหลไปเพ่งถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดรู้ทันจิตที่ไหลไปเพ่งนะจิตรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลย จิตรู้กับจิตคิดน่ะกลับข้างกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะคือจิตประเภทเดียวกันนั่นแหละก็คือจิตไันหละจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นแหละจิตจะเป็นจิตรู้หรือจะเป็นจิตคิดมันก็คือจิตนั่นแหละมันก็เหมือนเหรียญอันเดียวกันแต่จิตมันเป็นผลละดวงนะจิตที่รู้มันก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งจิตไม่ได้มีดวงเดียวถ้าใครเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วเชี่ยงเป็นมิจฉาทิฐินะจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลา เดีนะ๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจิตสุขเกิดระดับจิตทุกข์เกิดระดับจิตดีจิตร้ายเกิดระดับหมดเลยมีได้เกิดระดับเนี่ยถ้าถ้าเราคอยรู้ทันนะจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเพราะในการไหลในทั้งกบวานเนี่ยจิตไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดใช่ไหมตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตาจิตก็เริ่มคิดแล้วนึก อ, ออกไหมหลับตาไปแล้วไม่ได้ดูอะไรแล้วก่อนจะหลับจิตก็ยังคิดเลย หลับไปแล้วจิตก็อยากคิดอีกเรียกว่าฝันงั้นจิตของเราเนี่ยเป็นนักคิดอาชีพนะเราจะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งวันเลยเพราะมันมีให้ดูทั้งวันหาดรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดโดยการทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเสียก่อนพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องของยุบก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แล้วรู้ทันจิตการที่เรารู้ทันจิตได้แหละเรียกว่าจิตศิกษา นะเรารู้ทันจิตมากๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้พอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเราถึงจะเดินปัญญาได้ในอภิธรรมสอนนะบอกสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต้องสมาธิที่ถูกด้วยนะสมาธิที่จะทําให้เกิดปัญญาได้จริงๆต้องเป็นสมาธิชนิดลักขณเป็นัญช์สมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตไหลไปสงบอยู่ที่ลมหายใจที่ท้องที่มือที่เท้านะ ถ้าจิตไหลไปอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาเลยจงแช่อยู่กันน่ะกี่ปีกี่ชาติก็สงบอยู่แค่นั้นอ่ะไม่มีปัญญาถ้าจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมามันจะถอนตัวออกมานะแล้วเราก็ดูไปเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยอย่างพวกเราบางคนนั่งฟังหลวงพ่ออ้าปากบอแล้วรู้สึกไหมอ้าปากเราเห็นร่างกายอ้าปากนะเรารู้สึกเรากำลังหัวเราะบางคนกําลังหัวเราะเห็นไหมเห็นร่างกายหัวเราะ อ, อยู่ หลายคนพยักหน้าทำเป็นว่าเข้าใจเข้าใจนะพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมใจมันจะเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะไม่นานเราจะได้จิตตัวรู้ขึ้นมาแล้วพอได้ตัวรู้นะมันแยกแยกแล้วมันจะเห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งคนละอันกันตัวรู้ก็อยู่ต่างหากร่างกายก็อยู่ต่างหาก นี้พอนั่งไปนานๆชักปวดชักเมื่อยเราเห็นอีกร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยเป็นของที่มาทีหลังมันเป็นคนละอันกับร่างกายความปวดความเมื่อยเ้าเรียกว่าเวทนามันไม่ใช่จิตด้วยมันไม่ใช่กายด้วยมันเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายนั่งนานๆนั้นมันปวดขึ้นมามันความปวดนี้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูอยู่ความปวดกับจิตก็แยกออกจากกันร่างกายกับจิตก็แยกออกจากกัน พอปวดมากๆใจกระวนกระวายใจทุรนทุรายแล้วชักกงังวลโอ้นั่งสมาธิมากจนเมื่อยขาเต็มทีแล้วจะเป็นอรรมภารไหมนะ ใ, นใจกังวลขึ้นมาในความเป็นจริงไม่เคยมีใครนั่งสมาธิแล้วเป็นอรรมภารนะมีแต่ขาดเต็ีกินเหล้าเมายาหัวฟาดเป็นอรรมภารทย่งนั้นมีนั่งสมาธิเมื่อยนั่งดูไปกายส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตกังวลขึ้นมารู้ว่ากางักางวลกังวลนี่เป็นอีกขันหนึ่งแล้วเรียกว่าสังขารขัน เป็นความปลุงของจิตเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตก็โคละอันการความปวดความเมื่อยกับจิตก็โคละอันการความกังวลใจกับจิตก็เป็นโคนละนกันเนื่อหัดแยกไปเรื่อยนะหัดแยกไปต่อไปเราจะเดินปัญญาได้การเจริญปัญญานั้นจะต้องเห็นจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ อย่างบางคนบอกดูท้องพองยุบเป็นการทําวิปัสสนาดูท้องพองยุบเป็นสมถาากรรมฐานไปเดินจงกรมแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินนะจ้องอยู่ที่ร่างกายนี่สมถาากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์อย่างเห็นว่าตัวที่เดินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรารูปมันเดินร่างกายมันเดินใจเราเป็นแค่คนดูเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปแล้วไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกนะเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้สั่งว่าห้ามปวดห้ามเมื่อยมันก็ห้ามไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาทำนานะมิปัสนานะมิปัสนาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจของเรานี่แหละไม่ต้องดูของคนอื่นให้ดูของตัวเราเองถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ต้องทำมิปัสนา จะทำวิปัสสนาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูมีคำว่าต้องเหมือนกันนะ้จิตลอยถ้วยไหลเตลิดเปิดเฟิรือสงบซึมกระถือไม่ได้เรื่องหรอกทำวิปัสสนาไม่ได้จิตต้องตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วไม่ใช่ตั้งอยู่เฉยๆตั้งมั่นแล้วมีสติร่างกายเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันมีจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะไม่ให้ไหลไปรวมกันนะไม่แยกกันอยู่แต่ว่าไม่บังคับว่าต้องแยกตลอด แยกมาแล้วก็ไปไหลไปรวมกับร่างกายก็ได้แยกออกมาอีกไหลไปรวมกับความคิดก็ได้แต่ว่าไหลไปแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันมันจะแยกออกมาเองพอไหวไหมนี่แหละวิธีเดินปัญญานะวิธีทําให้เกิดศีลที่ดีก็คือมีสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นวิธีจะให้เกิดสมาธิก็คือเวลาจิตมันไหลไปมันฟุ้งซ่านไปมีสติรู้ทันสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้น วิธีให้เกิดปัญญาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของมันความเป็นจริงคือไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตต้องตั้งมัน่นถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมัน่นปัญญาจะไม่เกิดนะในตำราถึงสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานีสมาธิมีหลายแบบต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมัน่น ถือจะมีปัญญาสมาธิที่จิตไหลไปรวมกับอารมณ์ไม่มีปัญญามีแต่ความสงบอย่างเดียวนะต้องเรียนให้ถูกต้องนะเรียนไม่ถูกทําให้ไหวหรอกยากไปไหมคิดมากยากนานยังบางคนฟังหลวงพ่อแล้วงงงงรู้ว่ากําลังงงอยู่ใช้ได้แล้วนะวิธีเจริญปัญญานะกนะ็คือดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจ ถนัดดูกายก็ดูกายแต่มีใจเป็นคนดูถนัดดูความรู้สึกก็ดูความรู้สึกนะเป็นนามธรรมนะเช่นดูในใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเยฝึกดูแค่นี้ก็พอนะบรรลุมรคนิพานได้แล้วแค่ฝึกดูว่าให้เห็นว่าใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยสอันนี้เท่านี้ก็พอแล้วนะรู้มากกว่านี้ก็รู้เยอะรู้เยอะก็ไม่เป็นไรบางคนชอบรู้เยอะๆะถ้ารู้อะไรได้ไม่มากรู้จักสุขไหม รู้จักความสุขทางใจไหมต่อไปนี้ความสุกขทางใจเกิดขึ้นรู้ทันรู้จักความทุกข์ทางใจไหมความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก็รู้ไม่ได้ให้ละนะให้รู้นะตัวสุขตัวทุกข์เนี่ยท่านเรียกว่าเวทนาเวทนาขันเนี่ยเป็นวิบากเป็นตัวทุกข์ท่านถือว่าเป็นตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละนะ มันอย่างบางคนนั่งสมาธิปวดเมื่อยแล้วบอกว่าจะนั่งเอาชนะเวทนาอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนั่งเอาชนะเวทนาก็ได้ขันติได้อะไรต่ออะไรไปนะอดทนอดกลั้นดีแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนั่งให้เห็นความจริงคือใจรักนั่งแล้วปวดเมื่อยก็จะเห็นเลยความปวดความเมื่อยนะเป็นของไม่เที่ยงความปวดความเมื่อยเป็นของบังคับไม่ได้เอออย่างนี้ถึอองจะเรียกว่าวิปัสสนานะงั้นถ้านั่งทนแล้วก็ นั่งได้โต้รุ่งทนปวดทนเมื่อยได้นั่นนันอัตตะกิลมัฏฐานโยคแต่บางคนจําเป็นนะบางคนจําเป็นเราว่าเขาไม่ได้นะจิตนี้ใส่ทนไม่เหมือนกันบางคนต้องลําบากลําบากพวกทุกขาปฏิปทาต้องนั่งให้ขาเคล็ดเลยถึงจะดีจิตถึงจดยอมเชื่องไม่งั้นจิตโลดโผนเกินงั้นทางใครทางมันนะเราต้องค่อยๆสังเกตเอาว่าเราเหมาะกับทางไหนนะแต่ไม่ใช่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็เลยทําตัวสบายใจนะ ตามกิเลสไปด้วยไม่ได้นะถ้าเราต้องเข้มงวดกับตัวเองเดินจงกรมมาหลายๆชั่วโมงแล้วสติดีเราก็เอานะถ้าเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอิริยาบถไปเรื่อยแล้วสติดีเราก็เอายังไงก็ได้แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะฝึกให้ได้นะในสุดจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ไหลาตามกิเลสที่รุนแรงสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลส ซึ่งมันไม่รุนแรงมากสมาธิห่มกิเลสระดับปานกลางไม่ให้กิเลสมาย้อมใจได้ปัญญาเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงทำลายกิเลสชั้นละเอียดที่สุดกิเลสที่ละเอียดที่สุดคือความโง่ความไม่รู้คือตัวอวิชชาเราจะทำลายความไม่รู้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือรู้อย่างที่มันเป็นไม่งั้นเราทำลายความไม่รู้ไม่ได้ ร่างกายเป็นยังไงคอยรู้มันจิตใจเป็นยังไงคอยรู้มันแล้วเราจะรู้ว่าเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงหมายถึงว่าของมันมีแล้วมันก็หายไปเป็นทุกข์หมายถึงว่าของซึ่งยังไม่ทันจะหายเนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อจะให้หายไปอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายนะที่มันเกิดขึ้นมาหรือมันตั้งอยู่หรือมันหายไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสั่งแต่เป็นเพราะมันมีเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปบังคับไม่ได้ จะเห็นอย่างนี้นะหรือจเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์หายไปนี้เห็นอนิจจังความสุขจะมาหรือความสุขจะไปสั่งไม่ได้ความทุกข์จะมาหรือความทุกข์จะไปสั่งไม่ได้นี่เรียก ว, ว่าเห็นอนัตตา <S <S เห็นอะไรก็ได้นะในอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตานี่แนหะบรรลุพระอรหันต์ได้หมดเลยนะงั้นให้กันบ้านในฐานะที่นานๆเจอกันทีหนึ่งการบ้านของหลวงพ่อต้องไม่ยากมาก เดี๋ยวทําแล้วงงงงแล้วไม่รู้จะถามใครแต่ว่าจะบอกให้ถ้างงในการปฏิบัติไปเปิดซีดีของหลวงพ่อฟังนะไปเปิดซีดีฟังมีทุกคำตอบนะค่อยๆฝึกนะให้กันบ้านต่อไปนี้เวลาจิตใจมีความสุขให้รู้ทันความสุขหายไปก็รู้ความสุขมาก็รู้นะ เวลาจิตใจเป็นทุกข์ความทุกข์มาก็ให้รู้ความทุกข์ตั้งอยู่ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้จิตใจเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้จิตใจที่เฉยๆหายไปกลายเป็นจิตใจสุขจิตใจทุกข์ขึ้นมาก็ให้รู้ดูสามาหนึ่งสุขทุกข์เฉยๆรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมเออใครไม่รู้จักก็เพี้ยนละแล้วง่ายจะยตายไปต่อไปนี้ไปดูใจของเราเองอย่าเอาแต่ดูคนอื่นเห็นไหมอย่าที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เนี้ย โกรธขึ้นมาก็ไปดูคนอื่นที่ทําให้โกรธไม่ดูใจของตัวรอบเขึ้นมาก็ไปดูคนที่เรารักหรือของที่เราชอบไม่ดูใจของตัวหันมาดูใจของเรานะหันมาดูใจของเราเรื่อยๆไปเจอของชอบก็มีความสุขใช่ไหมไปเจอของไม่ชอบก็มีความทุกข์เนี่ยสุขทุกข์เกิดที่ใจก็คอยรู้เอาอีกนะถ้าดูแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะจะเอาอะไรนักหนารู้แค่นี้ก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วนะยากไปไหมถ้าอยากไปก็ไม่เป็นไร พระพุทธเจ้ายังมีอีกหลายองค์นะน่าพอสมควร น, นะขอกราบอนุญาตส่งการบ้านเจ้าค่ะวันนี้มีผู้ที่จะส่งการบ้านสิบสองท่านเจ้าค่ะค่ะโยมขอเป็นคนแรกที่ส่งการบ้านเจ้าค่ะโยมได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายหลายแผ่นแล้วเจ้าค่ะเวันนี้รู้สึก ดีใจมากเจ้าคะ่ะที่หลวงพ่อได้ดีใจแลรู้ไหมรู้เจ้าค่ะถ้ารู้แลถือจะใช้ได้นะเจ้าค่ะดีใจที่หลวงพ่อได้มีเมตตาต่อชาวนาครศรีธรรมราชแล้วก็วัดศรีทรวีแห่งนี้เจ้าคะ่ะเจ้าค่ะอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าโยมรู้สึกว่าตัวเองมีทุกน้อยเจ้าคะ่ะเวลาปฏิบัติดูยุบหนอพองหนอใจก็สงบเวลาดูจิตใจก็สงบเจ้าค่ะ แต่เวลาถ้ากระทบกับที่บ้าน เ, าเหมือนอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะแต่ว่าใจเนี่ยอารมณ์จะเกิดเร็วมากจ้าค่ะไม่ทราบว่ายองจะปฏิบัติยังไงดีเจ้าค่ะมันก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกตะกี้ะนะอยู่วัดแล้วดีอะ่ะแสดงว่าอะไรรู้ไหมสแสดงว่าอยู่วัดเี่เพ่งอยู่ถ้ารู้ทันว่าจิตติดเพ่งนะก็จะหายถ้าเพ่งไปเรื่อยๆไม่หายหรอก ยอรู้สึกไหมจิตของเราขณะนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆเนี่ยไม่เหมือนกันจิตเดี๋ยวนี้มันนิ่งเกินนิ่งเพราะเราไปบังคับไปนะเราไปคอยระวงังคอยรักษาคอยจ้องนะคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเราเนี้ยทาให้นิ่งไปหมดเลยนะอเรออกไปกระทบอารมณ์เนจะรุนแรงเราค่อยรู้ทันนะค่อยๆปล่อยค่อยๆ ค, ย ค, ยค ล, ายลายการเพ่งนะถ้าหายก็หายได้นะเลิกเพ่งมันก็เคลื่อนแหะ แต่ว่าจะบอกไว้ก่อนทันทีที่มันเคลื่อนจะร้ายมหาศาลเลยนะมันจะคิดดอกเบีย้ยโยมแล้วละ่ะต่อเป็นเนี้ย <c oughs> เราะเราดีมานานแล้วนะต้องระวังนะเพราะงั้นต้องถือศีลไปก่อนศีลเนี่ยจะช่วยป้องกันเราเวลาเราเดินปัญญาเราไม่ไปเพ่งไว้ไม่ไปเก็บกดไปนะกิเลสมันจะขึ้นเพ้าะเราต้องถือศีลไม่ไม่ไมปละเมิดคนอื่นนะ อย่า้งใจรักษาศีนะแล้วก็ปล่อยให้จิตมันเคลื่อนอย่าเอาแต่เพ่งเวลาโยมไปดูท้องของยุโยมสังเกตให้เดียจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนั่นคือสมาธิชนิดแรกอารามโนปนิชฌานนะก็คือเพ่งไว้เฉยๆถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องจิตเจอถอยออกมาเป็นคนดูไม่ติดหรอกแล้วจะลายหน้าดูเลยเป็นทุกคนออก เราพ่าทำสมาธิ22ปีก็ปล่อยนะร้ายนะขี้มโมโหตับไปกราบนมสการพระอาจารย์ปราโมชเจ้าค่ะดิฉันบริกรรมพองยุเหมือนกันเจ้าค่ะ เมื่อสงบแล้วจะเกิดปิติเจ้าค่ะแลวก็จะติดสุขตรงนั้นเจ้าค่ ะ, ะไม่ทราบว่าดิฉันปฏิบัติถูกไหมคะมจะมี <c oughs> แล้วจะมีวิธีการหรือว่าแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาอ ย, ย่างไรบ้าง<น>เจ้า <ไป S 1> ค่ะรู้ดูนะเวลาเราดูท้องของยุบเนี่ยถ้าจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วอนนี้รูปนามมันจะแยกออกมันจะเดินปัญญาไปได้ แต่ถ้าเราไปเพ่งอยู่ที่ท้องมันคือการทำสมถะมันก็มีปีติมีความสุขบางคนก็สว่างบางคนตัวลอยตัวบาตัวโครงนะแล้วเป็นนึกว่าเป็นวิปัสสนาญาณไม่เป็นหรอกเนาการของสมถะทั้งมหมดเลยลองดูพองยุคตอนนี้เลยเห็นไหม <didn> ว่าจิตเที่ยวไปหา ม, มันยังไม่ไปอยู่ที่ท้องมันเที่ยวไปหาอยู่ก่อนว่าจะไปดูอะไรดีเนี<ช>่ย <c oughs> รู้ทันมันเลยมันเคลื่อนไปก็รู้ทันมันนะ เนี่ยมันลงไปแล้วรู้สึกไหมถล่มลงไปอย่าให้ถล่มลงไปถ้าถ้าไหลลงไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็เกิดแล้วปิติเดี๋ย เ, เกิดะ อ, ไดอไะไรไปเป็นสมถะที่ฉันขอการบ้านด้วยค่ะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเวลาดูท้องพองยบให้จิตเคลื่อนไปให้รู้ทันนะไม่ห้ามหรอกแต่ให้รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนเขาจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเวลาตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นร่างกายพองยบตลอดเลยนะ แต่เห็นเหมือนเห็นคนอื่นใจจะไม่ไม่แน่น่ะใจจะปร่งล่องเบาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเองนะใจไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สุดไม่ทื่อหรอกพระคุณนาะค่ะกราบด้ บ, บัณฑการหลวงพ่อนะเจ้าค่ะคือว่าโดยปัญหาของโยมแล้วเมื่อก่อนเนี้ยค่ะจะเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างมากเลยนะคะโกรธง่ายมากแล้วก็ เวลาเมื่อโกรธแล้วเนี่ยค่ะจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับเป็นคนโง่เขลาอยังไงไม่ทราที่จะอธิบายความเป็นเราออกไปให้คนนั้นได้รับทราบค่ะซึ่งจะเป็นปัญหาเวลาเราทํางานนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มาฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็มาใช้วิธีการว่าเราดูความโกรธของเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มามาตอนเนี้เราจะรู้ว่า ใจของโยมเนี่ดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือเหมือนเหมือนจะรู้ว่าเรารู้ว่าเราโกรธนะคะโดยเฉพาะกับลูกนะคะแต่เราก็ยังมีคําที่ออกไปว่าลูกออกมาค่ะมันมันเป็นยังไงอะเจ้าค่ะเันมันเป็นความเคยชินนะมันว่ามาจนชินแล้วละต่อไปค่อยฝึกเจนสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอใจอยากจะว่าลูกนะั้นมันจะเห็นความอยาก ความอยากคือตัวตันหาเนี่ยจะดันขึ้นตรงกลางหน้าอกเนี่ยตรงลิ้นปี่มันจะดันขึ้นมานะถ้าเรารู้ไม่ทันมันกครอบเราเราก็ว่าลูกไปละ ว, ว่าลูกมากๆลูกจะไม่เชื่อลูกมันจะดือ้อมันชินกับคาว่าเราจเจริญสติจเจริญเมตตานะ ใ, นใจเราร่มเย็นเป็นสุขลูกเข้าใกล้เราลูกมีความสุขแล้วลูกไม่ดื้อหรอกถ้าลูกมันมีความทุกข์ลูกมันก็แอนตี้เราสิ นั้นเรามาฝึ ก, กจิตฝึกใจขอาเรากิเลสเกิดรู้ทันนะโกรธขึ้นมารู้ทันอยากจะว่าแล้วรู้ทันรู้อย่างนี้ได้ๆใจจะค่อยเบาสบายมีความสุขคนที่ส่งงันบ้านไปแล้วเนี่ยอย่าเอาแต่เพ่งนะเพ่งมาพอแล้วหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีจจะ รายงานการปฏิบัติตอนที่ว่ามาอยู่ที่วัดเนี่ยนะคะพอดีพระอาจารย์สอนให้รู้ลมหายใจอะคะ่ะต้องไปถามพระอาจารย์คือความรู้สึกตรงนี้ตรงที่ว่ามันพอเรานั่งสมาธิทั้งไหนเนี่ยเราจะรู้สึกพอดูลมหายใจไปอะนะคะมันจะหนักๆตรงเนี้ยค่ะพอ น, น, นั่งๆไปแล้วมันเหมือนก้อนหินก้อนโตอยู่ตรงเนี้ยทายังไงก็ไม่หายไปอะคะ่ะมันเอาตาไปดูดูลมหายใจเนี่ยนะให้ดูด้วยใจ อย่ า, าลูกตาไปดูถ้าเอาตาไปดูมากๆก็ปวดติให้รู้รู้สบายๆแต่ถ้ามันชินที่จะเพ่งมากๆนะอย่าเพิ่งหลับตาลืมตาหายใจก่อนแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู อ, อย่างนี้นะลืมตาไว้ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะใจค่อยๆสงบเดี๋ยวตามันปิดเองแต่ถ้าเริ่มต้นก็ปิดตาหลับตาปี๊จ้องหนี้เดี๋ยวก็ปวดตา ดูในพระสูตรนะเวลาพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติท่านสอนหน้าฟังนะดูพระภิกษุทั้งหลายให้เธอคู้บัลลังก์ทำไมต้องคู่บัลลังก์พระไม่มีเก้าอี้พายุบนั้นนนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธิเนี่ยนั่งได้นานที่สูตทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว ท่านไม่ได้บอกให้หลับตาหรือลืมตานะเราชอบหลับตาเอาเองถ้าเราเร า, เราเพ่งมากๆเนี่ยลืมตาก่อนแล้วพอจิตสงบแล้วมันปิดตาเองแล้วไปดูให้ให้ละเอียดถ้านสอนละเอียดมากนะพิสูจน์ทั้งหลายให้คู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้าหายใจเข้ายาวของเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเง อ, อกบไหม ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าเนี่ยใจจะแน่นถ้าเริ่มด้วยการหายใจออกนะใจจะโลง่งไม่เหมือนกันนะสองอันเนี่ยจิตจะต่างกันเลยหลวงพ่อเราเล่นอนาปนสติมาได้แต่เจ็ดขวบนะเล่นแล้วตอนหลังไปอ่านที่ท่านสอนแนะทบเขตหัวตัวเองเลยฝึกมันลำบากแทบตายจริงๆท่านสอ น, สอนง่ายๆหาย ใ, ใจไปด้วยความรู้สึกตัว จะลืมตาหรือจหลับตาก็าไม่เป็นไรแต่หายใจด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละถึงจะเรียกอานาปนานสตินะถ้าหายใจแล้วก็เครียดไม่ใช่อนาปนาสติมันจะจริตแบบโยมเนี่ยดูแบบนี้ก็สามารถที่จะไปต่อได้ใช่ไหมคะของโยมดูร่างกายให้มากนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจกายกระใจเป็นกวนานดูกายให้เยอะๆเลยดูจิตยังไม่ได้จิตยังฟุง้งเก่งดูร่างกายไว้ ขอบคุณค่ะดูสิใส่เสื้อรู้สึกตัวแต่ไม่รู้สึกสักคนเลย <c oughs> <c oughs> ใจลอยนะอ้ค่ะกราบน้อมสักการพระอาจารย์ปราโมทเค่ะขนาดนั่งสมาธินะคะก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกมีการภ า, า, าวนาพุทโธจิตก็สงบแต่จะสงบไม่นานก็จะลืมตาขึ้นนะคะแล้วก็จะกำหนดลมหายใจเข้าออกอีก แต่ก็จะสงบลงนะคะแต่บางครั้งนะะี่ค่ะไม่ทุกครั้งจะมีภาพแปลกๆขึ้นมานะคะแวบขึ้นมานะคะก็จะใช้การนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่เห็นรูปภาพควรจะดูต่อไปหรือมาดูลมหายใจเจ้าคะไม่ดู <c oughs> รูปภาพนะนิมิตเกิ ด, ด๋ยวไปดูมันเสียเวลา หลวงพ่อตอนเด็กดูนิมิตนะออกไปเที่ยวข้างนอกเลยนะหาประโยชน์ไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้อรันะถ้านิมิตเกิดเนี่ยให้รู้ทันจิตไหมนะให้รู้ทันจิตเช่นจิตสงสัยว่าเอ้ยนี่ผีจริงหรือผีปลอมรู้ว่ากําลังสงสัยหรือไปเหตุของสวยของงามจิตชอบรู้ว่าชอบให้รู้ที่จิตนี่นะแต่จิตเป็นกลางแล้วย้อนออกไปดูดถ้าเป็นของปลอมหายหมดเลยอย่ยงเรานั่งอยู่เห็นผีมาอยู่ข้างหน้าเรานะ เรากลัวอย่าไปดูผีให้รู้ทันว่าใจกําลังกลัวนะแล้วดูไปความกลัวจะดับไปเองนะพอความกลัวดับไปเราก็ย้อนจิตออกไปดูถ้ายังอยู่นะให้วิ่งเลยอย่างเนี้ยวิ่งได้แล้วตัวจริงถ้านิมิตปลอมแล้วมันจะหายไปเลยถ้าเข้ามาที่จิตอนะ่ะแต่นิมิตอย่าไปเล่นมันเสียเวลาลวค่ะกตามขอบคุณค่ะฟังให้ชัดนะทีแรกเราหายใจ เรารู้ลมหายใจนะการรู้ลมหายใจเนะี่ยลมหายใจเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นนะตัวหลักที่เราจะเรียนคือจิตมันถือจะเป็นจิ ต, ตศิษยาเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจเนะี่ยจิตหนีไปรู้ทันจิตเป็นสุขรู้ทันจิตเป็นทุกข์ ร, ก ร, ร, ร, าารู้ทันจิตสงบรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันเนี่เรียกว่าหายใจเรารู้ทันจิตงั้นเวลานิมิตเกิดเนี่ยโยมถามว่าจะให้ดูนิมิตหรือดูลมหายใจหลวงพ่อถึงตอบว่าดูที่จิตไม่ใช่ดูทั้งสองอันนั้นนะ เพราะโยมยังเข้าใจผิดว่าจะต้อกลับมาที่ลมอีกไม่ใช่กลับมาที่ลมนะลมเป็นแค่ภาพแปะกล่าวเป็นเพื้องหลังตัวหลักที่เราจะดูคือจิตทั้งนั้นงั้นเวลาเราหายใจเห็นภาพนิมิตเกิดขึ้นไม่สนใจนิมิตจิตเกิดกลัวหรือว่ากลัวจิตเกิดสงสัยหรือว่าสงสัยความกลัวความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปนะเราไม่ไปดูนิมิตแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจต่อไม่ใช่เห็นนิมิตก็หนีมาอยู่ที่ลมหายใจนะ ข้าั้นไปต้องมารู้จิตก่อนอ่ะต่อไปอยังงงหน่อยอยังไม่หายงงเดีย๋ยวให้คนิือธิบายต่ออ่ะครับผมก็ดูดูกายกับดูลมแล้วก็ดูจิตครับตามที่ฟังซีดีพอแล้วก็อ่าก็คื อ, คอพักหลังนี้จะมาเน้นลักขนูปนิชานมากขึ้นมันจะเห็นสภาวะได้ไวขึ้นแบบนี้แต่ น, นี้ดูถูกนะครับ ถูกขณะนี้จิตถึงฐานไหมยังครับไม่ถึงนะให้รู้ทันว่าตอนนี้จิตมันมีความสุขนะมีความโล่งว่างมีความสุขขึ้นมาให้รู้ทันครับถ้ารู้ทันว่าจิตออกนอกเดี๋ยวจะเข้ามาเองจะเข้ามาตั้งมั่นไม่จงใจดึงถ้าจงใจดึงเข้าฐานจะแน่นเกินไปตรงที่จิตไหลออกไปเนี่ยหย่อนไป ตัวที่กลัวจิตไหลไปแล้วตึงเอาไว้เนี่ยตึงเกินไปเหมือนประคองไว้เออมันไปประคองไว้ครับผมแล้วในชีวิตประจำวันนี่คือเน้นทําให้มันตึงๆหน่อยได้ได้ใช่ไหมครับทำกันเลยนะคือปฏิบัติให้มันเข้มขึ้นหน่อยอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเบื้องต้นตึงไปนิดหน่อยนะถ้าเบื้องต้นจะเอาให้ทางสายกลางเป๊เปนะๆเนี่ยจะหย่อนไปตึงนิดหน่อยนิดเดียวนะเช่นใครสนใจชําเลืองดูบ่อยๆ จำเรืองดูจิตบ่อยๆเอบไม่ใช่รอให้มันกลับมาเองใหม่ๆ ม, มันไม่ออกกลับมานี่คนนักพรบลอมเนี่ยเนี่ยคนนักพรแท้ก็สยักหน้าเลยกล <c oughs> ่าวในพิธการเจ้ากานหลวงพ่อโยมสับสนว่าจะดูกายหรือว่าดูจิตดี <c oughs> พราะเวลาโยมดูกาย น, นะหลวงพ่อถามโยมดีกว่าไม่ต้องถามหลวงพ่อ ยอมเนี่ยเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือว่าเป็นพวกคิดมากอะไรเด่นกว่ากันจะติดสุขอ่ะติดสุขเหรอ<ะ>ไม่คิดมากเหรอบางครั้งบ่อยครั้งไม่รู้สึกตัว <laughs> ใจมันฟุ้งนะใจมันช่างคิดมากเลยให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆคอยรู้ทันความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกาใ จ, ใจกระทบอารมณ์ก็ได้แต่เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้ เกิดโลบโลกรธหลงให้รู้รู้ทันความรู้สึกบ่อยๆเริ่มเชิงจะดีนะแล้วจะถามว่าเวลาดูกายแล้วมักจะติดเพลงนะคะจะแน่นนจะอึดอัดนั่นแหละามารู้ทันจิตไปมาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปขี้โมโหไหมบางครั้งค่ะบ่อยครั้งพยายามกดด้วยเออนะพีะ่กดเอาน ะ, ะดูจิตไปดูจิตทีต่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างดูอย่างนี้นะ<ม>อย่าดูไกล สมาธิไม่พอจะดูกายได้ดีสมาธิต้องเยอะพอจิตต้องตั้งมัน่นจิตยังไม่ตั้งมัน่นให้รู้ทันจิตบ่อยๆไปก่อนนวัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูปฏิบัติโดยการดูลมหายใจเข้าออกค่ะหลวงพ่อคือพอเวลาดูลมหายใจก็จะเห็นความคิดแต่หนูเห็นว่าหนูดึงกลับมาไม่เห็นมันดับค่ะหลวงพ่อฮ<ะ>เห็นเห็นตัวเองดึงดึงกลับมาที่ลมาหายใจให้รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเขาจะกลับมาเอง แค่รู้อย่างเดียวตรงที่จิตไหลไปคิดเนี่ยนะสุดโต่งไปข้างหลงตรงที่รู้ว่าไหลไปคิดเนี่ยพอดีแล้วตรงที่กลัวมันไหลแล้วไปดึงคืนเนี่ยสุดโต่ไปข้างบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ดึงหรอกนะเราแค่รู้ทันว่าเขาเคลื่อนไปแล้วเขาจะกลับมาเองให้เขากลับมาเองแล้วใจจะโปร่งโล่งเบ า, ถ, าถ้าดึงคืนมาใจจะแน่นสงสัยทราบไหมทราบค่ะเออเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยดูเข้าไปเลย เห็นความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็หายไป<ม>เห็นไหมหายไหมหายค่ะเอ้แค่นี้เองอะ่ะแล้วทุกตัวนะก็จะเกิดแล้วก็หายไปแบบนี้แหละแค่รู้มันก็จะสลายตัวให้ดูแล้วเราไม่ได้ฝึกให้มันหายนะแต่ว่าเราจะได้เห็นของจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็โดูจากของจริงหลงไปคิดหรื อ, อยังเจ้าค่ะเอ้หลงไปคิดแล้วเพ่งไหมอึด อ, อัดไหมอึดอัดค่ะโอ้เห็นไหมหลงไปเพ่งไปองงไหมว่าจะทํำยังไงดี กำลังงงอยู่เจ้าคะให้รู้ว่างงไงเห็นไม่หายแล้วตรงที่รู้ทันสภาวะแท้แท้นะมันก็หายสิมันก็จะเบาขึ้นใช่มันจะเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเบาใช่ไหมใจนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจถื่ใช้ไม่ได้หรอกค่ะแล้วเวลาปฏิบัติะค่ะหลวงพ่อพอเหมือนเวลาดูลมหายใจพอมันเบาลงอะค่ะ ทุกครั้งมันจะมีอาการเหมือนใจเต้นถ้าไม่ใจเต้นก็จะเหมือนกับตาจะกระพริบตลอดอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อจิตมันยังไม่รวมบางคนมันไม่ไ ม, ไม่ชำนาญ น, นะมันไปวอกแวกวกแว ก, อ, กอยู่มันไม่ไปสนใจมันมากแล้วอย่างนี้คือไม่เป็นไรเวลาจิตจะรวมนะบางคนมันก็มีอาการนิดนิดหน่อยหน่อยั่นแหละทําใจสบายดูลมหายใจไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆสบายสบายแล้วอย่างโยมนี่คือดูแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะหรือว่าดูกาย ด, ดูไปดูอย่าที่ดูนี่แหละ เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้ า, าค่ะกลับไปบัณฑส ก, การเฝึกแบบดูจิตดูอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เห็นบ่อยแล้วก็ในหลายในในหลายอารมณ์ที่เราจับได้เรารู้สึกเบื่อหน่ายเจ้าค่ะแล้วก็ไปต่อไม่ถูกเจ้าค่ะเบื่อรู้ว่าเบื่อไหมเรารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็เห็นความเบื่อหน่ายมีขึ้นมานะ แต่เราเป็นกลางเป็นคนดูไม่นานความเบื่อไหนก็หายเกิดได้ก็ดับได้เราไม่ต้องไปดับเขานะให้เขาดับของเขาเองความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้แค่รู้รู้ด้วยความเป็นกลางจำได้ไหมให้รู้ด้วยความเป็นกลางนะแค่รู้เท่านั้นเลยแล้วแล้วต่อไปถ้าเกิดเราอยู่กับความเป็นกลางแล้วไม่รักษาเราก็จะเห็นว่าความเป็นกลางก็เป็นสภาวะหนึ่งเกิดได้ก็ดับได้เดี๋ยวก็ไม่เป็นกลางอีกแล้ สุดท้ายปัญญาก็เกิดว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้ได้ค่ะขอบคุณไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบนะนักปฏิบัติอย่าไปพลากเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงฝึกให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับได้เป็นธรรมดาเราฝึกต้องการให้เห็นตรงนี้ตา่างเพราะมันมีความสุขขึ้นมาก็แค่รู้ก็เห็นความสุขมาแล้วก็ไป ความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้ความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นก็แค่รู้มันมาแล้วมันก็ไปต้องการให้จิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาต้องการตรงนี้ไม่ได้พาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบหรอกเพราะดีก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงนั้นถ้าเราเป็นกลางจริงนะดีหรือไม่ดีจิตก็เท่าเทียมกันนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายสุขหรือไม่สุข จิตก็เท่าเทียมกันไม่หลงยินดียินร้ายนะสงบหรือไม่สงบจิตก็เท่าเทียมไม่หลงยินดียินร้ายแต่อันนี้เป็นขั้นของการเจริญปัญญานะต้องแยกให้ออกถ้าขั้นจริยธรรมเนี่ยดีกับชั่วไม่เท่ากันนะชั่วกับดีไม่ได้เท่ากันนะต้องทําดีแต่ในขั้นเจริญปัญญาให้เห็นว่าดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับเท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เท่ากันเฉพาะในมุมของไตรลักษณ์นะงั้นไม่ทําชั่วนะทําไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ จะมาบอกว่าดูจิตแล้วทำอะไรก็ได้เพราะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิละการขอบพระคุณจิตการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเป็นโรคประจําตัวคือหินปูนทั้งสองางค่ะแล้วก็มีการเกิดทุกข์แล้วก็เวทนามากเลยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเริ่มต้นในการปฏิบัติเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมดานอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อค่ะดแยกไปเลยนะกายกับจิตคนละนกัน ความเจ็บปวดกับร่างกายก็คนละานความเจ็บปวดกับจิตก็คนล่านกันเรามีทรัพยากรในการปฏิบัติก็คือตัวทุกขเวทนาเราเอามาใช้ประโยชน์เลยแทนที่จะให้มันย่ํายีเรานะเอามาใช้เลยเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเป็นของที่แทรกอยู่ในร่างกายนะแ ล, วควล้ความปวดกับร่างกายโคนลานความปวดกต่จิตก็คนละานกันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ เ, เลยสุดท้ายนจะเห็นใน Donc, ร่างกายก็ไม่ใช่เราความปวดก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีเราตรงไหนเลย พระเจ้าค่ะกราบนพิธการครับหลวงพ่อผมฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนะฮะแล้วทีนี้ก็ช่วงแรกๆก็หลงแล้วก็รู้ช่วงหลังนี่หลงแล้วก็รู้สึกแล้วก็เพ่งอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําน่อยหลงก็รู้ทันว่าหลงรู้สึกก็รู้ว่ารู้สึกเพ่งรู้ว่าเพ่งแนะนำแล้วครับทั้งนั้นขอกันบ้านจากหลวงพ่อครับ เพ่งเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ตลอดอยากรู้ชัดๆอยากรู้บ่อยๆมันมาจากอยากนะมีอยา่ากก็เลยไปเพ่งเอาไว้คอยจ้องค่อยรอดูหลักของการดูจิตดูใจเนี่ยก่อนดูอย่าอยากดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปดักดูถ้าดูมันจไปเพ่งระหว่างดูดูห่างๆดูสบายๆดูเหมือนดูเหมือนดูคนอื่นเดีนะ๋ยวถลำลงไปดูดูแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทัน เป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางก่อนดูอย่าอยากดูแล้วไปดักดูระหว่างดูอย่าไปจ้องจนถล่มลงไปเพ่งดูแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเป็นกลางไหมจำได้ไหมก็ไฟังอีกทีหนึ่ ง, งแต่บอกไว้เลยว่าที่ภาวนาอยู่นะถูกแล้วนะเห็นไหมว่าก่กับใจเป็นคนละอานดูออกไหมก็ เห็นไหมว่าสุขทุกข์กระใจก็โคด้านตัวนี้ดูออก <Omar. S 1> <brasile, S 2> ไหมก็เหมือนเหมือนจะดูออกฮะแต่ว่าก็รู้สึก <c oughs> ไม่แน่ใจมากกว่าว่าที่ทําอยู่มันถูกครับเห็นกิเลสกัจิตก็โคด้านกันที่ทําอยู่นี่ถูกแล้วนะขันแยกแล้วนะเมื่อขันแยกแล้วเนี่ยดูขันมันทํางานไปเรื่อยบังคับมันไม่ได้หรอกในที่สุดปัญญาจะเกิดว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างไม่อยู่ในอานาจบังคับคําว่าทุกอย่างก็คือขันทั้งหลายนั่นหลย ที่ทําอยู่ถูกแล้วสมาธิมีแล้วจิตถึงตั้งมั่นอย่างนี้แต่สมาธิเป็นของเสื่อมต้องซ้อมนะทุกวันทําในรูปแบบบ้างจิตไหลไปแล้วรู้ทันจะได้มีพลังที่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แ ต, แต่จริงๆผมก็ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามันคือคือคื อ, คอรู้สึกไหมว่ า, าจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตแต่ก่อนไม่เหมือนกัน นั่นแหละแต่ก่อนนันก็คือจิตที่คลุกอยู่กับอารมณ์เหมือนคนทั่วๆไปนั่นแหละจิตตอนนี้มันกับอารมณ์เป็นแยกออกจากกันต่อไปใช้ได้นะกราบนรรส ก, การ์หลวงพ่อเจ้าค่ะโยมดูใช้พุทโธอยู่ค่ะเวลากําหนดลมนะเจ้าค่ะพอนั่งไปสักพักนะคะพุทโธก็หายนะคะเหลือแต่ลมก็ตามรู้ตามดู ไม่ามารทราบวาถูกต้องหรือเปล่าครคะอย่าให้ซึมก็แล้วกันนะหายใจไปแล้วต้องหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าให้ใจซึมนะ <c oughs> าหายใจแล้วก็ซึมซึมไปอย่างนี้เรื่อยๆ <c oughs> ใช้ไม่ได้นะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจด้วยความรู้สึกสดชื่น <c oughs> หายใจแล้วรู้สึกไปแข็งไปอย่างนี้แรงไปใครอยู่ใกล้ๆช่วยสะกิดที ออกมาตรงนี้ไปไม่ได้นะตรงนี้ไปติดนิ่งติดซึมไปแล้วนะถอยออกมาถอยออกมายิ้มก่อนหัวลาไหนได้ไหมหัวเาะทีหนะ่ง <c oughs> สังเกตไหมว่าจิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกัน <c oughs> จิตที่ถูกต้องคือจิตตรงนี้นะ <c oughs> จิตตะกี้ผิดนะ <c oughs> จิตตะกี้จิตติดเพ่งจิตที่เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดนี่แหละดีที่สุด <c oughs> คนปฏิบัติ เก่งนะแต่คนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตไปแบบเดียวกันแต่ต่างกันนิดเดียวมันเหมือนกันตรงที่ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยพวกปฏิบัติไม่เป็นจะไปนั่งเพ่งจิตไม่มีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นคนภาวนาไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยจิตมันเปลี่ยนตลอดเรานักปฏิบัติให้เก่งจริงเนี่ยจิตจะเปลี่ยนตลอดแต่ต่างกันตรงที่ว่าคนทั่วไปจิตเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแค่นี้เอง ก้นอย่าไปน้อมจิตให้ผิดธรรมชาตินะอยให้มันติดนิ่งติดเฉยขอบพระคุณดวค่ะเวลา บ, บ่อยๆนะนะครับบสการครับหลวงพ่ อ, อ, อฟังซีดีของหลวงพ่อมาก็เยอะนะแล้วเคยส่งการบ้านที่ประปา่าส่วนภูมิภาคคันหนึ่งนะไม่ทราบว่าที่ผมทำอยู่นี่มีอะไรต้องแก้ไขแล้วมีแนวทางกิเลสไ เห็นกิเลสไหมบางบางทีก็ฟงฟงอาจยใอถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ทันใช้ได้นะครับครับถ้าฟงฟงไปแล้วไม่เห็นว่ากิเลสกำลังเกิดใช้ไม่ได้ครับหัดรู้บ่อยๆเช่นจิตชํานาญในการรู้ทันเวลากิเลสเกิดจิตจะชํานาญเท่า น, า น, นะกิเลสปุ๊บมาเนี้ยปุ๊บรู้เลยอย่างนั้นยิ่งดีส่วนใหญ่จะติดโมหะอาจารย์หลวงพ่อนั่นแหละหัดถึงต้องหัดรู้เว้ยรู้กับโมหะกลับข้างกันนะไม่เริ่มซึมไป ครับคอรู้ทันกิเลสไหมครับแล้วแนวทางปฏิบัติล่ะหลวงพอ่อดูดูถ้าโมหะมากก็หายใจไปครับหายใจแล้วรู้ทันจิตนะไม่หายใจให้จิตซึมนะครับหายใจแต่แล้วจิตหนีไปรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะหายใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนอ่ะเนี่ยก็โมหะหายครับที่ทําอยู่ถูกไหมอาจรย์หลวงพอ่อถูกนะถูกเป็นขั้นเป็นตอนไปครับเป็นลําดับลําดับไป หมดแล้วรือีหลวงพ่อจะต้องไปแล้วล่ะค่ะช่วงสุดท้ายนะคะจะได้ทำการถวายปัจจัยไตยธรรมขอทุกท่านร่วมกล่าวคำถวายปัจจัยไตยธรรมตามนะคะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม กับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปาโมทปปาโมทโชขอพระอาจารย์ปราโมทปราโมชโช<พย>โปรดจงรับเครื่องปัจจัยไทยธรรม กับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลละนานด้วยเทินค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนนะคะสวายปัจจัยธยาธรรมนะคะ ขอทุกท่านตั้งใจนะคะพนมมือนะคะเวลาถวายให้เหมือนกับว่าเราได้ถวายหลวงพ่อได้ตัวเราเองนะคะขอขอตัวแทนถวายพระธาตุจำลองแก่องค์หลวงพ่อประโมทประโมทโชว์เชิญเชิญค่ะต่อไปขอตัวแทน ถวายบาทและขาบาทเ จ, จ้าค่ะสาธุค่ะขอทดแทนถวายผ้าไตาจีวอนค่ะสาธุขอพรจากหลวงพ่อด้วยชุกท่นต้องเอาได้เหรอเจ้าค่ะเห <laughs> <laughs> ยาถาวารีวหาปุราปริภูเรนติสาคารัาราง เอวเมวายโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเทปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชธิรโสยถาสัพพิตโยวิวัติจันโตสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิจังุตาปจายโน จตารโรธรมาวัฏันตีอายุวันโนสุ ข, ขังภหลังส<า>เครื่องปัจจัยทยทานนะหลวงพ่อขอตวายท่านเจ้าคุณนะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภาระของท่านเยอะช่วยท่าน